ตอนแรกคิดว่าเป็นหัวขโมยก็เลยชวนบังเล็ศไปด้วยส่วนปอกับโอนนอนคลุมโปองอยู่ในห้องบังเซนกับบังเล็ศจึงรีบเข้าไปดูที่เห็นเงาคนตรงตู้แอร์เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าเป็นผีช่างแอร์ใบหน้าเล่ ด, ด้วยแรงระเบิดทั้งตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดด้วยความที่บังเซนกับบังเลดเป็นอิสลาม